คุณสร้างเชื้อของโรคอารมณ์สองขั้วอยู่หรือเปล่าถ้าคุณรู้จักคนสองบุคลิกเดี๋ยวหมดแรงเดี๋ยวบ้าพลังเดี๋ยวคิดช้าเดี๋ยวคิดเร็วเดี๋ยวเบื่อชีวิตเดี๋ยวมีเป้าหมายยิ่งใหญ่เดี๋ยวเก็บตัวเงียบเหงาเดี๋ยวสังคมจัดเดี๋ยวรู้สึกด้อยกว่าใครเดี๋ยวคุยโมว่าเก่งกว่าคนอื่นเดี๋ยวไม่สนใจโลกเดี๋ยววิจารณ์แหลก เดี๋ยวชุนเฉียวง่ายเดี๋ยวสุขุมลึกเดี๋ยวอยากตายเดี๋ยวอยากเป็นอมตะนั่นแหละเข้าข่ายเป็นโรคอารมณ์สองขัวแล้วส่วนจะเป็นแบบอ่อนๆชนิดต้องรู้จักใกล้ชิดถึงจะเห็นหรือเป็นแบบเข้มข้นแบบเจอสองสามครั้งออกอาการแตกต่างอย่างชัดเจนนั่นก็เล่าแต่สาสมสาเหตุของโรคเวนานเพียงใดแก่นของโรคนี้ คือไม่มีความพอใจที่แท้จริงแล้วก็คิดอะไรเกินตัวอยู่เรื่อยๆคุณอาจคิดว่าคนทั่วไปก็ไม่มีความพอใจที่แท้จริงกันทั้งนั้นคิดฝันอะไรเกินตัวกันทั้งนั้นนั่นก็ถูกแต่ที่คนเรายังดูปกติและเป็นตัวของตัวเองได้ก็เพราะภาวะทั้งร่างกายและอารมณ์ยังทรงตัวเวียงไม่แรงสลับขัวไม่บ่อยอยังแยกแยะถูกว่า อันไหนจริงอันไหนคิดเอาเองต่างจากโรคอารมณ์สองขั้วที่ยึดมั่นความคิดฝันรุนแรงจนแยกไม่ออกเชื่ออะไรแล้วปากใจสุดลิมทิมประตูเสมอเช่นรูปร่างหน้าตาธรรมดาแต่คิดอยู่ทุกวันว่าตัวเองน่าจะเป็นพระเอกนางเอกหรือขี้เกียจทำงานทำการฝีมืองันงนัแต่นอนคิดบนเตียงทุกคืนว่าจะต้องเด่นดัง รับรางวัลโนเบลสาขาใดสาขาหนึ่งให้ได้ก่อนตายสังคมไอทีสนับสนุนให้คนยุคเราเห็นแต่ความไม่น่าพอใจของโลกโลกเต็มไปด้วยคนเลวจริงที่น่าด่าอยู่มากใครด่าได้เข้าไส้ใครขุดคุ้ยได้ถึงสะดือจึงมักได้รับคะแนนสนับสนุนท่วมทน้นให้เอาดีทางด่าได้โดยเฉพาะเหล่าดาราดังจะตกเป็นเป้าซ้อมมือกันมาก เนื่องจากลึกๆคนมักอยากเด่นแบบดาวาแล้วดาวาก็มักมีเรื่องให้ขุดคุ้ยกันไม่จบเอามาแชรได้แล้วมีความสุขมากขึ้นเด่นแบบเขาไม่ได้แต่ทำให้เขาเด่นน้อยลงได้ก็แล้วกันถ้าคุณเคยเผลอให้คะแนนสนับสนุนการด่าแบบร้ายเหตุผลเอาอารมณ์เกลียดของตนเป็นหลักฐานความชั่วของเขาเช่นนั้นก็เท่ากับเผลอก่อกรรม แบบบิดอารมณ์ให้เบี้ยวแล้วสังเกตได้ว่าในเวลาต่อมาเมื่อเห็นใครเด่นดังจะทนไม่ได้เป็นต้องเกิดอาคติต้องคิดติต้องพูดดา่าต้องสอดตาหาแง่ขุดคุยจนกว่าภาพเขาจะพังไม่เหลือชิ้นดีแล้วเอาโมโนภาพ jam jam ของตนเข้าเสียบแทนซึ่งนั่นก็เป็นรากของโรคอารมณ์สองขั้วได้เพราะจริงๆแล้วยิ่งขุดคุยคนอื่นลึกขึ้นเท่าใด ยิ่งเหมือนกระจกส่องให้รู้ตัวลึกๆมากขึ้นเท่านั้นว่าตันเองก็ไม่ได้น่าพอใจอะไรเลยทนมีชีวิตธรรมดาไม่ได้แต่ก็ทนลาบากแบบคนพิเศษไม่ไหวเหมือนกันต้องก้าวกระโดดในชั่วข้ามคืนเท่านั้นพอทําไม่ได้ในชั่วข้ามคืนอย่างเขาก็ห่อเหี่ยวหมดเรี่ยวแรงไม่มีกำลังใจก้าวต่อไปอีกเมื่ อ, อยังไม่มีที่ยืนเป็นความจริงน่นนาพอใจ พุทธเราให้หาจากข้างในจนกว่าจะเจอเหมือนที่ครั้งหนึ่งเคยมีคนร้องว่าที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอพระพุทธเจ้าก็ตรัสตอบออกไปจากความว่างภายในของพระองค์ว่าที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องจงมาเถิดการรู้จักจิตรู้จักใจเพื่อลิ้มรสความว่างไร้ความขัดข้อง ต้องเริ่มตั้งแต่ยังไม่ถูกหลอกให้มองออกข้างนอกมากนักส่วนใหญ่พอถูกหลอกจนเป็นโรคอารมณ์เหวี่ยงแล้วก็ต้องใช้ยาเพื่อคืนความสมดุลให้ร่างกายกันซึ่งไม่มีใครประกันว่าจะย้อนกลับไปสร้างเชื้อของโรคอารมณ์สองขั่วอีกหรือเปล่า